วันนี้พวกคณะสงฆ์และญาติโยมได้มาคารวะหลวงพ่อการคารวะก็คือพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังครูบาอาจารย์อย่างผมเป็นต้นนะอาตมาเป็นต้นถ้าว่าได้ประมาทพลาดพังขอครูบาอาจารย์จง อ, อโหสิให้ด้วยพร้อมกันหลวงพ่อก็ยินดีให้ อ, อโหสิแก่พวกท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านพร้อมกัน ทางวานหลวงพ่อเองได้ประมาทพาดพังพวกท่านทั้งหลายก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายอโหัวสีให้ผมเช่นเดียวกันให้อัตมาเช่นเดียวกันและก็ขอให้พวกเราเจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขภาละดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอะหังขา ม, ามิตุ่มเฮ ห, หิปิเมค า, ามิตะ บ, บัง เอวังหัตุเอวังหาัวตุโยจะปุบเบปมัตชิตตวาปัจซาโซนปมัตสติโซมังโลกังปพาเสเตอยพมุตโตวจันทีมาอภิวาธนาสีลิชนิตจังวุธาปจายิโนจัตตารโรธรมมาวัทานติอายุวันโนสุขังพาลัง ยากยโยมสิไปผูกก่อนตอเนาะก็คงจะบเบาๆอย่างไรแต่พวกเห้ามาดนๆนมาได้พบหลวงพอ่อได้ยินได้ฟังฟังนั่นฟังนี่แน่เพื่อเป็นกติเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวความคิดให้พวกเห้าได้นํ่ไปประพฤติปฏิบัติหน้านที่ปีหนผู้บาอาจารย์จชงในมารวมกันทําวัดครวะ คูบาอาจารย์อย่างที่พวกเข้าท่านทั้งหลายมาเนี่ยนะมือนี่กับมือหนึ่งเขาพรรษามารถได้สิบหามือมือนี่แหละแปว่าสองวงังบนทําไปสองวันอาทิตย์หรือสองวันพระหรือสองสั ป, ปดาห์เขาพรรษามารถเดือนแรกจะมาทํามวัดคูบาอาจารยอ์อมแอมของพวกเข้าต่อไปก็คงจะทําไปกว่างไ ก, ก่ก้อนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแล้วคณะที่หลวงพ่อเวาหลวงพ่อพูดนะ ให้พวกเข้าอยู่ในความสงบเนอะคันผู้ใดอยากคุยกันอยากสนทนากาันอยากคุยกันเป็นส่วนตัวก็ออกไปคุยกันทั้งนอกคันว่าผู้อยู่ในบริเวณศาลานให้ฟังกนเอาไปคันผู้ใดบ อ, อยจากฟังให้ย่างออกไปทั้งนอกไปคุยกันทั้งนอกแล้วมื่อลบเรียบร้อยแล้วหลวงพอ่อจิดแจกหนังสือของคุณแม่ชีแก้วนะให้พระกับแม่ชีที่ว่าพระพ้นได้แหละองค์ใดๆแล้วก็บอเอาละ พอหนังสือจํากัดส่วนบอดใยได้แล้วคือการไม่ชีที่ได้แล้วก็บวเอาบาให้แล้วก็เหรียญหลวงพ่อที่แจกเหรียญอีกเหรียญของคุณแม่เพราะว่าเอาไปแจกอยู่บั้นหอยไส้ที่ว่างานเจดีมันบอดาแจกพอมันค้นมันแย่งกันก็นเลยบอดาแจกเพราะนั้นเมนีกับหลวงพ่อคอยจะถือโอกาสแจกหนังสือให้พระกับคุณแม่ชีส่วนเหรียญ น, น่นก็คิดว่าจีแจกให้ทั่วถึงก็น่าจะทั่วถึงทั้งหมด ีมาให้เบงหน้าเหรียญคุณแม่นี่วงพอ่อทําเหตุขืนมาเนี่ก็เพื่อแจกในงานเจดีเป็นที่ระลึกคุณแม่ชี้แก้วเท่านั้นอนะ่ะบอดิเฮดสื่อเฮดขายบอดิเฮดอีอังไอพอได้สั่งเจดีขึ้นมาลก็แจกตัหนังสือลูกหลานมากจบไดัยยงก็เลยเอาติดใหม่ติดมือเหรียญเอาไปเป็นที่ระลึกไปกาบไปไว้เพราะคุณแม่กเป็นเป็นผู้ยิ่งก็จริงอย แต่ว่าเป็นผู่ปฏิบัติปฏิบัติชอบกระดูของเพลินกระเด ก, กลายเป็นพระธาตุเป็นเม็ดกลมกลมสรุปแล้วก็คือในรักของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพันกำว่าเป็นพระอระหันต์ก่อนที่เป็นยังสัน่นหลวงตามหาบัวพันขยืนยันก้อนที่คุณแม่เจ็เป็นยังสั่นก่อนเพญจิมรณภาพหลวงตาก็บอกว่าเม็ดชีแก้วนี่ภาวนานี่ยิยยึดใจของพันสำคัญอยู่ยเนาะพันสิ้นแล้วนะ แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ฟังฟังไว่พ่อคนที่สุศพ่อพลตายไปกระบาดอธิษฐานเพลนก็เลยกลายเป็นพระธาตุเป็นสักขีพย า, ยานวัดปลาแกีว่วชุมพ่นน่ะเนีแล้วก็ลงพอก็เอาไปบรรจุก็มีหลายเม็ดกระดูกพระธาตุของเพินนบันบนี้ก็เลยเมื่อฉลองสางเจดีย์เจดีย์ก็สางมดหลายเด้เฉพาะองค์เจดีย์ย่างเดียวมดประมาณ1ิบพ า, านแล้วก็บริเวณรอบคางถนนหน้นท่างสะนาม ไปว่าทั้งมดรวบร่วมคาใส่ใจในเจดีมดไป2 5หาล้านกว่าเจดีของคุณแม่ทีหลวงพอ่อจะแจกหนังสือให้แกพวกหมู่วกกเพื่อนคู่บาอาจารย์ครับเมชีเนี่ยและก็พร้อมจีแจกเหรียญให้คณะสัทว์าาธาตุญาตโยมทีมาาเมื่อนี้แหละแปว่าน่าจะถั่วถึงเป็นเทระลึกเหรียญของคุณแม่นี่ให้พวกเข้าเอาไปรักษาไว้เห็นดีได้ทมาเรือนเกินกาดบัว ไ, ได้ เออเอาไปกับไว้สักการะบูชาเอาไปแขวนข้อก็ได้เออแล้วกระลึกยามตกทุกข์ในยากทั้งด้านคิดใจมีอุปสรรคทั้งคิดใจมากอ่ะกระลึกถึงคุณคุณแม่เอ้ยคุณแม่แก้วเอ้ยคุณยาเอ้ยมาซอยภูขาเด้อเด้เออ่าภูขามีความว่สบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ตั้งจิตอธิษฐานถึงพนนะขอคุณแม่เนี่ขอยายได้พอาะว่าพนเป็นผคนยิ่ ง, งคือกันกับขอแม่นะ่ะพวกเข้าขอแม่เนี่ขอยายเขาขอเขาพ อ, อ, อ, อ, อบ่กแม่บอ ขันพอก็พอนึ่ขอพอเป็นทาเป็นที่โดนไม่เลี่ยวเด้ขอกับแม่นี่จังไหนอย่างไดรเพิ่อนกันยังทั้งให้เพิ่นทั้งจมเพื่อนยังไหยอย้ออนไปอันนี้คือกันอ่ะพวกเข้าขอกับแม่นี่ข อ, อก็เพื่เหลือจากแม่นี่ยตรงพอว่าเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเขานะเนี่แหละเมื่อหลวงพ่อพูดจบแล้วหลวงพอ่อจะแจกนะสําหรับพี่น้องประชาชนญาติโยมแล้วก็แจกหนังสือคูบาอาจารย์แล้วก็แม่ชี แต่วันหนังสือกระตามเหรียญก็ตา ม, ตามท่าว่าผู้ใดได้ดแล้วก็บอเอานะพอหลวงพ่อเคยแจกบัตรเพิ่มครั้งหนึ่งแล้วกันผู้ใดได้ดแล้วก็บอเอาเอาไปยังเขาไปถิมไปซื้อให้ผู้อื่นเขาพอหลวงพ่อจะได้แจกไปเรื่อยๆสําหรับปุตีิบัได้พอหนังสือเล่มนี้ก็ลายเงินนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดเป็นภาษากลางนะบางทีศรัทธาญาติโยม ที่มาที่นี่อาจจะมีญาติโยมอยู่ตามวัดต่างๆไม่คุ้นเคยต่อเสียงภาษาทางอีสานนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดเป็นภาษากลางให้พวกเราได้ยินทุกทุกท่านให้เข้าใจเพราะวันนี้เป็นวันสาคัญวันหนึ่งเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งที่คณะสงฆ์พร้อมกับศรัทธาญาติโยม ได้นำหมู่คณะการาบคารวะครูบาจารย์ในถิ่นฐานที่จำบรรษาในวัดของพวกเราคุยนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งคุยนั้นที่จะถึงวันนี้ได้ก็คือเป็นเทศ ก, กาลเข้าพรรษาเข้าพรรษาปีหนึ่งก็จะมีเพียงครั้งเดียวคือครั้งนี้แหละอาเภอนามโสมอาเภอนายูง รวมกันคณะสงฆ์ทั้งสองอำเภอและพี่น้องประชาชนทั้งสองอำเภอ ร, รวมกันไปมุดน้าดาหัวตามประเพณีเรีวยกว่าคารวะทำวัดครูบาอาจารย์ในถิ่นนั้นแต่วันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้มาวัดของหลวงพ่อมาทำวัดคารวะที่หลวงพ่อได้กล่าวจบลงศักครูนี้ว่าพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังผมด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจก็ดีผมยินดีอโหาสิให้แก่พวกท่านทั้งหลายและผมได้ประมาทพาดพังพวกท่านทั้งหลายตลอดถึงคณะสัทธาญาติโยมญาติโยมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้พวกท่านอโหาสิให้ผมเช่นเดียวกันให้ตา ม, มาเช่นเดียวกันและก็พร้อมกันก็ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดนะอันนี้หลวงพ่อได้พูดจบลงก่อนหน้านี้ นั้นว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกทุกท่านในพรรษานี้ที่พวกเราอยู่ในขณะนี้ให้ทั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาสำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมอยู่หนาถิ่นใดบ้านใดแต่ละวันก็จะได้ขาดให้มองดูแลพระสงฆ์ที่จำพรรษาในถิ่นฐานบ้านใกล้บ้านของเราควรจะทำบุญตักบาตรขณะหลวงพ่อว่า เรามีกินอย่างไงเราควรจะทำบุญทำทานอย่างน้อยก็ทุกวันพระวันหนึ่งไปจังหันไทยบาทอันนี้คืออุบาสกอุบาสิกาให้ทานะคือการเสียสละส่วนพระสงฆ์ท่านก็อยู่วัดว่าศาสน า, าจำพรรษาของท่านให้ทานส่วนวันพระก็ควรจะมาสมาทานศีลกับครูบาอาจารย์ในวัดในถิ่นฐานบ้านของเราเช่นเดียวกันนะรักษาศีล แล้วก็ให้ศึกษาเรื่องภาคภาวนาปฏิบัติสำหรับตนเองด้วยเพราะว่าเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเราไม่รู้จะอยู่นานสักเท่าไหร่อันนี้เป็นคำเตือนของหลวงพ่อแต่คนเราถ้าได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็ฟังฟังเหมือนกับละคายเครืองในหูแต่ตามไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหากว่ายังไม่เหยียบเส้นแดงเมื่อไหร่เรื่องความตายนี่ยังไม่ถึงใจของเราเมื่อนั้นถ้าหากว่าเมื่อไร ไม่รอดแล้วนะคราวนี่เหยียบเส้นแดงแล้วเมื่อนั่นละ่ะพวกเราจะํำนึกได้ว่าโอ้โหความตายนี่มันไม่ใช่ของเล็กน้อยมันพัดพาคจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เราสั่งสมมาตั้งแต่เล็กจนโตเมันไม่ใช่เรื่องของเล็กน้อยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเตือนอยู่เสมอว่าก่อนที่พวกเราจะถึงวันนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวอะไรไว้บ้างควรจะเตรียมคุณงามความดีอะไรไว้บ้าง ควรจะสั่งสมบุญกุศลอะไรไว้บ้างอันนี้เป็นคําเตือนเป็นคําบอกกล่าวเพราะว่าพวกเราจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้วันนั้นมาถึงพวกเราก็กระซับกระสายสทุลนทุลายใครบอกอะไรเชื่อทั้งหมดทีนี่เพราะว่าความกลัวแต่ถ้ า, าว่าพวกเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้ ความกลัวของเราจะไม่มีเพราะเราเตรียมพร้อมเก็บห อ, อมลอมเล็บเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเข้าจิตเข้าสู่ใจของเราเอาไว้แล้วจิตใจของเราก็เต็มเปี่ยมไปด้วยปีติเพราะเราได้คิดไว้แล้วว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาถึงเราแล้วเหรอครั้งนี้เราก็ได้คิดไว้แต่ก่อนหน้านี้แล้วเตรียมพร้อมไม่มานานพอสมควรแล้วสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่ใจิตใจของเรามากพอสมควรแล้วบัตรนี้มาถึงเราแล้วเหรอเออเอามาถึงเอาไม่ว่ากัน เพราะคนเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายจะไม่ตายซะเลยเป็นไปไม่ได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบงสาคนาญาติญาติมิตรสหายของเรากรมล้มหายตายจากไปไม่รู้เท่าไหร่บัดนี้มาถึงคิวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะหลีกลี่หนีไม่พ้นเชแล้วข้าพเจ้าก็ต้องยอมรับดังที่พระพุทธเจ้าว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เพื่ว่าธรรมดาไม่ใช่ของแปลกพระพระพุทธเจ้าว่าท่านเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราฟังดูแล้วก็เหมือนธรรมดาแต่พอมาเจอเข้าจริงๆมันไม่ใช่ธรรมดา มันทุกข์มันวาดหวอ้างว้างไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าความกลัวตายความกลัวตายจุดนี้มันถึงใจจริงๆเนี่ยพอนั้นเราจะทำยังไงเเมื่อจุดนั้นมาถึงพอนั้นหลวงพ่อจึงได้กล่าวย้ากับพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่าพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลไว้นะอย่าประมาทให้ทานรักษาศีลภาวนาเอาไว้นะอย่าประมาท ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะพระพุทธเจ้าโพูดไว้แล้วหรือพวกเราครูบาอาจารย์พิสูจน์มาแล้วอย่างหลวงพ่อนี่ก็พิสูจน์แล้วพิสูจน์ทุกวันนี่ก็คือพิสูจน์อยู่แล้วหลวงพ่อว่า ก, กายกับใจนี่เป็นของคนละานกันอยู่ในตัวของเราเนี่แหละมีรูปประธรรมกนามธรรมอาศัยกันอยู่อาศัยกันอยู่คือรูปประธรรมกนามธรรมนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อคือใจคือความคิด คือตัวผู้รู้คือตัววิญญาณส่วนรูปธปรรมนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมีเท่าไหร่นั่งอยู่ที่นี่นเห็นกันหมดรูปร่างกลางตัวเป็นอย่างไรเห็นกันอันนี้แปลว่ารูปธปรรมส่วนนามธรรมนั้นมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนจุดที่ว่านามธรรมตัวนั้นสําคัญกว่ารูปธรรม ท, ท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมเพราะนั้นท่านสอนอยังไงเรื่องนามธรรม ท่านก็ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันทั้งกายและใจถ้าหากว่าสอนแต่ใจอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มันต้องสอนไปตั้งแต่ร่างกายเพราะใจเป็นนายสั่งให้ร่างกายทำอะไรให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้ร้องรำทำเพลงให้สร้างคุณงามความดีให้ดุให้ดาให้กล่าวสวดมนตไหว้พระใจเป็นคนสั่งสั่งให้ร่างกายทำสั่งให้ร่างกายโพดสั่งให้วาจา กายวาจาพูดออกไปก็คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่ถ้าว่าใจของเราไม่เกิดศรัทธาใจของเราไม่นับถือเลื่อมใสมันก็ไม่สั่งกายให้ทำไม่สั่งวาจาให้พูดมันพูดก็พูดอีกแบบหนึ่งมันก็ททำไปอีกแบบหนึ่งถ้าหากว่าใจไม่สั่งร่างกายจะไม่พูดอย่างนั้นถ้าว่าการกระทาออกมาเราก็พอรู้ได้ว่าเออคนคนนี้เขาทำอย่างนี้ออกมาเขาไม่เคารพเขาไม่นับถือเขาไม่เลื่อมใส ใจของเขาไม่เกิดศรัทธาสแสดงว่าสอนถึงใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจเพราะฉนั้นท่านจึงสอนใจธรรมะของพระพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ถ้าจะว่าไปแล้วคือเน้นหนักตรงที่ตา ม, มาธรรมคือใจใจเป็นใหญ่คือสอนหัวหน้าสอนหัวหน้าให้รู้จักดีรู้จักชอบรู้จักสิ่งที่ควรคิดไม่ควรคิดควรคิดคิดซะก่อน คิดออกมาแล้วจะทําอย่างไรจะพูดอย่างไรเนีอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนพุทธบริษัทของพระองค์เพราะนั้นพระธรรมคําสั่งสอนแนวแถวของพระแม่ครูบายอาจารย์ท่านจึงสอนใจสอนนามมรรมตัวนี้แหละสรุปแล้วก็คือมันย้อนไปถึงที่ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพอเกิดขึ้นมาแล้วก็นี่แหละเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับมานั่งอยู่ เกวียนหรืออยู่ล้อหรืออยู่รถมีพยามัจุราชเป็นผู้ดึงไปลากไปแก่ไปขนไปถูถ่ายไปพ่อจะรูปปไปง่ายคพวกแก่ไปเพราะงั้นแหะแก่ไปข้างหน้าลากไปข้างหน้าถ้าว่าแก่ก็บอลากไปภาษาอีสานเราว่าแก่ไปข้างหน้าแก่ไปหาอะไรแก่ไปหาผมหง แก่ไปหาผมงอกผมขาวแต่สมัยเป็นเด็กเรายังผมไม่งอกไม่ขาวนะพอแกขึ้นไปผมหงอกผมขาวแก่ไปหาผมงอกผมขาวแกไปหาฟันหลุดแกไปหาตาฝ้าฟางแกไปหาหูหนวกหูตึงแกไปหาหนังเหี่ยวหนังย่นแก่ไปหาหลังค่อมแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราจะไม่เป็นพราะแกเข้าไปมื่กีแกแกแกแกไปเรื่อยเพราะนกันทั้ แต่บางคนไม่ได้คิดพอแก่ขึ้นมากัดกินเลี้ยงฉลองกันอีกอายุขึ้นมาเท่านั้นเท่านี้กินเลี้ยงฉลองฉลองความแก่แต่ตามไม่จริงการที่จะฉลองความแก่หรือว่าความแก่แก่ไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่แก่ไปหาที่ไหนแก่ไปหาหลักประหารแก่ไปหาหน้าผาหน้าเหวพอแก่ลากไปลากไปถึงหน้าเหวก็โยนกิ้งลงเหวกิ้งลงเหวเสร็จแล้วตายไปละชาตินั้นวิญญาณก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาปฏิสนธิมาอีก มาเกิดอีกออมาหาที่เกิดใหม่อีกพอมาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แก่อีกแก่ไปแก่ไปถึงตงทิ้ ง, งลงเหวเกิดม่อีกแก่อีกนี่แหละทนาวาวัฏตวันไม่มีที่สิ้นสุดเวียนตายบกวนเวียนเวียนตายเวีนเกิดในวัฏสงสารนั่นเรียกว่าวัฏตะวันไตรแปลวา่าสไตรโลกธาตุบกวนเวียนอยู่ในไตรโลกธาตุในภพภูมิต่างๆไม่มีที่สิ้นสุด เพราะนั้นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนวิธีการที่ไม่ให้มาเกิดอีกทํำยังไงนี่อันนี้ก็คือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นให้เริ่มศึกษาตั้งแต่บัดนี้นะว่าจะทํำยังไงที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรจึงจะไม่มาเกิดอีกถ้าไม่มาเกิดอีกแล้วไปว่าตัดกงล้อกรำเกวียนไม่ให้เมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้อีกเป็นอนันตการ แปลว่าจบสิ่งที่ให้มาเกิดนั่นคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงนั่นเองที่นําพามาเกิดเพราะฉนั้นถ้าว่าเราชําระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจได้แล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วไม่มีเชื้อแล้วใจตรงนั้นก็ไม่หมด อ, อหมดยางบทตา เ, เหมือนกับเมล็ดข้าวเนี่ยถ้าเราเอาไปสีซะเอาไปกระทอ้อซะเอาไปตําซะ เปลือกมันแตกออกแล้วมีแต่เม็ดข้าวสารเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดเพราะเหตุไรเพราะมันหมดเชื้ออันนี้ก็เหมือนกันวิธีการที่จะทำให้ใจหมดเชื้อคืออะไรคือมักแ8ดศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาอยู่นี่แหละวิธีการปฏิบัติทำยังไงนั่งสมาธิจะทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธของเรา แต่ยินแต่ว่าสมาธิสมาธิเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องนั่งสมาธิแต่ตามไม่จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะที่นั่งอยู่ที่นี่นะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าผู้เท่าผู้แก่ไม่ว่าแม่ขาวแม่ชีไม่ว่าภิกษุสมัมมเนนเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาในภาคปฏิบัติพวกเราต้องการความสุขไหมถามใจอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขพวกเราก็จะต้องฝึกหัดวิธีนั่งภาวนาวิธีภาวนานั่นคืออะไร พวกเรามองเห็นพระประธานอยู่ข้างหน้าของพวกเราเนี่ยนะท่านนั่งยังไงพระพุทธปฏิมากรขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงหลับตานะไม่ต้องลืมตาจากนั้นกบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโทพุทโทนะีพิธีการนั่งภาวนาเนี่ง่ายนิดเดียวถ้าพวกเรารู้จักวิธีนะแต่ว่าก่อนที่จะทนะํานั้นมันยาก เพราะมันคิดยากเพราะกิเลสของเราในใจของเราไม่อยากจะให้ทําคุณงามความดีอกิเลสมันติดพบติดชาติไม่อยากจะให้เราไปในทางที่ดีมันดึงมันลากเอาไว้มันลังเอาไว้แต่พวกเราต้องฝืนนะทดลองดูออยู่เงียบๆคนเดียวถึงจะไม่นั่งขัดสมาธิอย่างนี้ก็นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งหลับตานั่งเก้าอี้ย่อนขาเดี๋วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเรานั่งสมาธิหลับตาจะกน็นึกพุโทโธพุโทโธในใจ หรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธนี่วิธีการปฏิบัติเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิทีเดียวก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้นอนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนนี่อริยบททั้งสเว้นไว้แต่หลับนะถ้าหลับจะไม่จัดว่าภาวนาเพราะมันหลับไปแล้วมันขาดสติไปแล้วแต่ถ้าเขามายังมีสติอยู่ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทั้งสามอย่างพราะเราสร้างคุณงามความดีได้ทั้งอริยบท4ี่ยืนเดินนั่งนอน พอเราตายเราก็ไม่ได้เลือกว่าตายนอนซะก่อนยังค่อยตายยืนซะก่อนค่อยตายนั่งซะก่อนค่อยตายไม่ใช่เป็นงั้นเราตายได้ทุกอริยาบทเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามควา ม, ความดีก็ควรจะเตรียมพร้อมทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนนะเวลาเดินก็ขาขวาพุทธขาซ้ายโท Chevy, พุทโทพุทโทขาขวาพุทขาซ้ายโทบริกรรมพุทธโธพุทโธให้มีสติเวลาเรานัน่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโ ท, โทพุทโธ นี่แหละวิธีการปฏิบัติและผลมันเป็นยังไงทีนี้นะเหตุมันเป็นอย่างนี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงอันนี้หลวงพ่อจะพูดในเรื่องผลให้ฟังอีกนะเมื่อเรานั่งสมาธิเข้าไปแล้วกําหนดลมหายใจเราเอาจริงจังพอจิตของเราเข้าสู่ความสงบอารมณ์ของเราจะรวมมารวมมารวมมามารวมอยู่ที่จมูกนะสติของเราจะแน่วแน่อยู่ที่ปลายจมูกที่เรากําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นกําหนดลมพุธ พุโทโธพุทธโธจากนั้นจิตของเราก็สั้นเข้าสั้นเข้าตะกอนเมืก่กาเพร่นผ่านออกเราก็จะต้องดึงกลับมานะมันต้องมีนะอันนี้ให้เรารู้เอาไว้ว่าเวลาเรานั่งภาวนาะโอ้โหทำไมมันใจมันไม่อยู่กับตัวเลยอันนั้นเป็นของธรรมดาอย่าไปคิดว่าเป็นของแปลกเป็นของธรรมดาเหมือนกับเราฝึกหัดวัว น, นั่นจับวัวควายเข้ามาใส่แอกใสถ่ายเราเดินจ้องจ้องตามปกติไม่มีหรอกบางทีมันก็พุทธใส่ฟอดขวาเงั้นอาจจะชนเจ้าของอีต่างหา แต่ถึงยังไงเราก็ต้องบังคับมันต้งเขียนทั้งตีมันทั้งบังคับมันผลในสุดวัวควายตอนนั้นก็เข้าเทียมแอกเทียมไถได้เดินได้อันนี้ก็เหมือนกันการฝึกหัดจิตแต่ภาวนากัลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่ไ ม, ม่พวกเรานั่งภาวนาไม่รู้คิดที่ไหนก็ไม่รู้มันไปที่ไหนก็ไม่รู้อันนั้นเป็นธรรมดานะธรรมดาของจิตต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เราบังคับให้มันอยู่กับกรรมฐานลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทน เมื่อเรากําหนดเข้าไปแล้วใจของเราก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะบางทีนั่งภาวนาลมหายใจเข้าออกมันหมดนะนั่งกําหนดหมด <c oughs> ทําไมลมหายใจมันหมดมันหายไปได้อย่างไงนะแต่ก่อนมันทําไมเรามีสติเราเห็นลมหายใจแต่บัด น, นี้ลมหายใจหมดนี่แหละจุดหนึ่งที่ผู้ริเริ่มภาวนาเนี่ยจะเสียเสียจุดนี้จากนั้นก็สืบหายใจแรงๆเหมือนกันพอสืบหายใจแรงๆ มันก็หยาบขึ้นมาอีกเนีมันเห็นมันเห็นลมเข้ามาแต่มันเห็นลมก็จริงอยู่แต่จิตมันถอนออกจากสมาธิแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยที่มันลมหมดน่นคือจิตของเราละเอียดเนีจิตของเราละเอียดใจของเราละเอียดจะเข้าสู่ความสงบจะเข้าไปสู่ฐานสมาธิแต่ทีนี้เราตกใจมันลมมันหมดจากจมูกของเราเราก็หายใจขึ้นมาแรงๆอีกมันก็หยาบขึ้นมาอันนี้ก็ขอเตือนพวกเรานักปฏิบัติทุกๆ ท, ท, ท่านนะ ถ้าหากว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจละเอียดลมหายใจละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปจนลมหมดเหมือนกนเด็ดลมหมดแล้วเราไม่ต้องตกใจเราไม่ต้องคิดอะไรให้เราเอาสติจับจุดตัวผู้รู้ทีนี้ไม่ต้องหาลมอีกลมมันจะหายไปไหนก็สุดแท้แต่ลมเราไม่สนใจกับลมเลยทีเอาสติจับจุดตัวผู้รู้น่ใครรู้ว่าลมหมดนะ ใครรู้ว่ารมหมดเอาสติจับอยู่ตัวนั้นดูตัวนั้นไม่ให้จิตใจไปทางอื่นนั่นแหละจิตใจจะเข้าสู่ความสงบอนอกจากนั้นไปจะไม่อธิบายให้ฟังถ้าอธิบายให้ฟังเดี๋ยวพวกเราจะจับเออคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกว่างั้นจุดลรงแพร่ น, นี้และผลออกมาอย่างไงนั่นแหละมันจะเข้าสู่ความสงบในละเอียดในขั้นต่อไป เ, อเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายภาวนานี่นะ เมื่อภาวนาจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วทีนี้เป็นผลอย่างไงเป็นผลดีผลเสียอย่างไงสำหรับนักปฏิบัติถ้าหาว่าพวกเราจิตใจเป็นสมาธิดีนะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีความทุกอกทุกใจมีเรื่องอะไรมากระทบทางข้างนอกพวกเราต้องมี ไม่มีครั้งใดก็ต้องมีครั้งหนึ่งไม่มีวันใดก็ต้องมีวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยแหะพวกเรามีอยู่ด้วยกันหลายคนไม่พ่อกับแม่ไม่แม่ก็ลูกลูกเต่าเล้าล้านทุกคนแหะต้องกระเทือนใจสักวันหนึ่งแต่ลุงพ่อนี่กระเทือนใจไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันอย่างโยมพ่อลุงพ่อตายอย่างนี้หลุงพ่อก็กระเทือนใจโยมแม่ตายลุงพ่อก็กระเทือนใจพี่ชายญาติพี่น้องหลุงพ่อตายครูบาอาจารย์หลวงพ่อตายลุงพ่อก็กระเทือนใจอย่างหลุงปู่ล่ามรณะภาพหลวงพ่อก็กระเทือนใจ นี่แหละเมื่อกระเทือนใจแล้วเราคิดอะไรแต่บางคนถ้าหาว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องปฏิบัตินี่นะบางคนกนหน้าเจ้าเงาหงอยซึมเศร้าเอเพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอันนี้แหละถ้าว่าพวกเราได้ประพฤติปฏิบัติได้ภาวนาแล้วเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเกิดขึ้นใจของเราจะวิ่งเข้ามาหาสมาธิทันทีกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกปล่อยวางทั้งหมด ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่คิดในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเมื่อจิตของเราถอนออกจากมาธิแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่ปล่อยวางโล่งมองเห็นเหตุการณ์ว่าควรจะปฏิบัติยังไงควรจะทำยังไงขึ้นมาเพราะว่าเราได้หลบมาหาที่หลบที่ซ่อนแล้วมรสุล ม, มันพัดผ่านไปแล้วเราก็ออกมาจากที่หลบซ่อนของเราดูเหตุการณ์ว่าเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร อันนี้ก็คือสมาธิมันมีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนานเท่านานทีเดียวเพราะฉะนั้นการฝึกหัดจิตตภาวนาเนี่เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพุทธบริษัทเพราศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์เนี่ยนะต้องฝึกหัดจิตภาวน า, นาให้มากพอเรามีโอกาสท้ามีเป็นร่ำเวลาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะภาวน า, นาให้มาก เมื่อภาวานาจิตใจมีหลักแล้วจิตใจจะไม่ว้าเหวนะฟังไว้ได้นะฟังไว้เลยนะจิตใจจะไม่ว้าเหวจิตใจจะไม่อ้างว้างจิตใจจะไม่เงียบเหงาจิตใจจะไม่ซึมเศร้านะโรคซึมเศร้าจะไม่เข้ามาหาสําหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนแก่ทั้งหลายถ้าไม่เคยฝึกหัดจิตตภาวานาแล้วเมื่อโลกลูกหลานห่างไกลไปโรคซึมเศร้าจะเข้ามาเยี่ยมเยือนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ควรจะฝึกหัดจิตตภาวนาเอาไว้หลวงพ่อว่าเราจะใช้ได้เป็นอนันตการจากนั้นก็นเราก็เมื่อสุดท้ายม ร, รณะภัยมาถึงเราอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นว่าความตายมาถึงพวกเราพวกเราก็มีหลักจิตใจมีหลัก เ, เมื่อจิตใจมีหลักแล้วเราจะไปยังไงไม่ว้าเหวไม่ทุกภรรย์นั้นเถอะพร้อมที่จะปล่อยวางได้เพราะจิตใจของเราได้สั่งสมบุญกุศลเตรียมเปี่ยมไปแล้ว ไปยังไงพวกเราก็ต้องไม่ทุกข์แน่แเพราะว่าบุญกุศลเราได้สังสมไว้ดีแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตยานิ ย, ยมทุกๆท่านนะเรื่องความแก่นะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของแปลกเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติการเป็นอยู่ต้องเป็นอย่างนี้ละ่ะมันเป็นเรื่องของโลก ของโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นฆราวาสก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้ในโลกนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาทั้งหมดถ้าจะว่าไปแล้วแต่เราจะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมดานั้นอย่างไรแต่บางครัง้งบางคราวเราก็ฝืนธรรมชาติฝืนธรรมดานะปลูกปั่นเศสกสรรขึ้นมาก็ทําให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนกับธรรมชาติธรรมดา <exploding> ที่มันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะทุกข์อีกเหมือนกัน เพราะนั้นหลวงพ่อจะเล่าเป็นอนิทานประลำปลาให้ฟังนะให้พวกเราบางทีพวกเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนะก็ว่าธรรมดาเนะี่ยคืออะไรนะคือโลกของเราเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเวลาเกิดมาแล้วเวลาตายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดา อ, อย่างที่หลวงปู่ดีเนอะวัดชิมวาส หลวงพ่อยังนามาสอนให้พวกญาติโยมใครๆต่อใครฟังหลวงปู่ดีเนาะท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านนะมาบวชที่วัดของท่านพอบวชเสร็จแล้วก็ลาสิกขาไปลาสิกขาไปก็คนหนึ่งก็ไปแต่งงานคนหนึ่งก็ไม่ได้แต่งงานแต่จานั้นก็พากันมาเยี่ยมหลวงปู่ก็เลยขึ้นมากับหลวงปู่ดีเนาะ ก, ก็เห็นเออเป็นไงลูกหลานทิด เ, เป็นไงหนะสบายดีอยู่แล้วกับผมหลวงปู่สบายดี เออเป็นไงแต่งงานแล้วยังนะเนี่ยครับผมแต่งแล้วครับผมเออแต่งแล้วก็ดีเนาะหลวงขว่าดีเนาะก็คือดีนะดีน่าหลวงเออดีเนาะหลว ง, ออนลวงจนได้ชื่อว่าเจ้าคุณดีเนาะเหมือนกันเถอแต่งงานแล้วก็ดีเพราะเป็นฟังเป็นฝาจะไปที่ไหนเออก็ได้กลับมาบ้านมาเรือนเพราะมีครอบมีครัวแล้วต้องรับผิดชอบออต่อไปทางหน้าก็มีลูกมีเต้าขึ้นมาเท่าแกชรากระลูกเต้าก็จะได้เลี้ยงดูเรา อันนี้เป็นประเพณีของโลกเนีก็เป็นอย่างนี้แหละก็ขอให้ช่วยกันดูแลนะประครับประคองครอบครัวของเราช่วยกันหาช่วยกันเก็บพร้อมล้อมริบนะครอบครัวของเราก็จะมีความสุขความเจริญนะเนีนี่แหละ ม, มีครอบ ม, ม, มีกรัวมีฝั่งมีฝาก็ดีนะดีนอหลวงก็ลเลยถามหลวงอีกวันที่มาใกล้เป็นไงหลวงแต่งงานแล้วยังไหมยังครับ ผมยังไม่ได้แต่งงานผมก็ไม่คิดว่าจะแต่งนะปู่เป็นยังไงนะ้องปู่ว่าไงเออไม่แต่งก็ดีเนาะหลวงเออไม่แต่งก็ดีเนาะพราเห็นว่าเราเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวทําไมเรงจะไปเอาคนอื่นเข้ามาด้วยเราไปแต่งเข้าไปกันเนี่ยต้องรับผิดชอบเขาต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไอ้ลุงตุงนังไปหมดเออเจา้าหน้นก็นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าต่อไปอีกหาทุกใสตัวเองแท้ๆเราว่า เ, เพราะนั้นไม่แต่งกระดีเนาะหลวงสลบแล้วก็คือดีเนาะหลวงทั้งสองอย่างบา ง, งัานเถอะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะหลวงขอ ง, ออลงอหลวงปู่ดีเนาะอ๋องั้นเถอะแต่ได้มาพูดถึงธรรมชาติบา้า อ, อธรรมดาคนเราก็ต้องมีครอบมีครัวใช่ไหยละ่ะแต่ได้มีโยมคนหนึ่งเขาได้เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านและเขาก็แต่งงานกับแม่บ้านจากนั้นเขาก็มีลูกสาวสองคนแต่ผู้ใหญ่บ้านนี่หัวล้านนะ ตามว่าจริงคนผู้เป็นผู้นำเนี่ยชอบหัวร้านเหมงอนกันเถอะเออเป็นของธรรมดาอีกเหมือนกันน่ะอคนที่เป็นผู้นำเนี่ชอบหัวล้านเหมือนกนเถอะเออนั่งที่ไหนก็เธอเล้คือเด้คนหัวร้านเป็นผู้นำเหมาอนกันเอะอ่อันนี้ผู้ใหญ่บ้านหัวล้านเออทีนี้ท่านก็ได้ลูกสาวมาสองคนพอได้ลูกสองคนกับเป็นสาวขึ้นมาเลยทีนี้ต่อมาอาจารย์เหมือนกันเถอะไอ้พระในวัดอยู่ในบริเวณละแวกนั้นแหะเขาก็เลยราศิขา โบวถมานานตั้งแต่ห้าพรรษาขึ้นไปเลยรเขาเรียกว่าไปลดน้ำเลยพอช่วงมาหลังๆนี่ใครบวถมาสมปีเขาลดน้ํเขาโคดน้าจานมันลงไปลดน้ ำ, นลนำคล้ายๆก็มีรางพญานาคอย่างนั้นแหละลดน้ําจานว่าไงลดขึ้นมากับเป็นจานจานคูจานชาจานสมเด็จเขาก็ว่ากันไปแล้วว่าไงะต่สมัยก่อนหลวงพ่อก็จําไม่ได้แต่ลดน้ําเข้าไปแล้วก็เป็นจานอ อย่างนั้นก็เป็น 10, สิบพรรษาขึ้นไปเนี่ยพอออกมาศึกออกมาทีเนี่ก็เป็นผู้นําชุมชนสังคมเป็นผู้นําไหว้พระอ่าเป็นผู้นําพระปริตตะเป็นผู้นําอะไรต่อมีอะไรสมัยก่อนนะเยอะแยะไปหมดว่างั้นเถอะใบสีสูขัญโดยมากจานเป็นผู้พาทำรรทั้งหมดละว่างั้นเถอะเออคือว่าเป็นนักปราชญาอาจารย์ว่างานเถอะเป็นผู้นําชุมชนได้ทีเด้ดเขาก็มาติดพันกับลูกสาวผู้เยาวบ้านผู้เยาวบ้านก็เออตกลงให้เขาแต่งงานกัน ก็ได้ลูกเขยคนโตว่างั้นเถอได้ลูกเขยจานว่างั้นเถอะแต่เป็นคนมีปัญญานะลูกเขยจานเนี่ยต่อมาอีกทิดว่าเนี่ยทิดเนี่คือบวชชั่วคราวบวชตั้งแต่สอ ง, ส, องสามเดือนขึ้นไปจนถึงสองสามปียังไม่ได้ลดน้ำว่างั้นเถอะเขาเรียกเป็นทิดเอีทิดเนี่นก็คือบัณฑิตนั่นนะ่ะแอบเพิ่งเข้าไปบวชแล้วก็ศึกออกไปไปก็คุยติดพันกับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านคนเล็กอีกว่างั้นเถอะได้เป็นลูกเขยผู้ใหญ่บ้านอีก เป็นอันว่าผู้เยาวบ้านได้ลูกเขยจานก็ลูกเขยทิดอยู่ในบ้านเดียวกันว่างั้นแต่นี้ต่อมาผู้เยาวบ้านกับแม่บ้านเอลูกเขยของเราเนึ่งแต่ลูกสาวของเราเราไม่ว่าล่ะเราเลี้ยงมาแต่แตอ่อนแต่ออกเรารู้ได้ว่าลูกสาวของเราหนึ่นิสัยใครดีกว่ากันอบอ้อมอารีมากน้อยกว่ากันแต่เราก็ไม่ว่าประดีทั้งคู่ลูกสาวของเราแต่ลูกเขยของเราเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเขา แต่เราอยากจะรู้เขาว่าใครมีเชา่ามีความคิดมากกว่ากันมี IQ สูงกว่ากันไมางั้นเถ อ, อ IQ อตัวนี้นะ่ะเที่ว่า IQ นี่ IQ EQ AQ MQ มีทั้งหมดเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เขาหาได้เพียง 8Q นะแ q เอสคเอ เขาไล่ไปนะแต่สามให้จริงไองงคิวของฝรั่งที่ว่าเนี่ยไอคิวเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเหมาะที่จะเป็นนักวิชาการแนะนำสั่งสอนคนอื่นอันนี้แปลว่าพวกมีไอคิวสูงจดจำได้ง่ายคิดอ่านไตรตรองเหตุและผลเฉียบแหลมอันนี้แปลว่าพวกมีไอคิวสูงส่วน AQ นั้นเป็นผู้มีจิตวิญญาณไอ EQ เป็นผู้รับผิดชอบ AQ คหน่สำหรับผู้มีขันติมีขันติคือความอดทนเป็นพื้นฐาน MQ เนี่ยเป็นผู้มีศีลธรรมมีจริยะธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมในถิ่นนั้นๆอันนี้เรียกว่า MQ นะแต่ถ้านี่มาเปรียบเทียบกับ Q ทั้งหลายของฝรัง่งเนี่ยถ้าจะว่าไปก็คือจริตงในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าจริต6จริต6คืออะไรศรัทธาจริตใครพูดอะไรเชื่อหมด โธซาจริทธี้โกรธง่ายราคาจริทธชอบรักสวยงามพุทธาจริทธเป็นคนมีปัญญาวิตกจริทธวิตกกังวลในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเขาพูดหน่อยเดียวก็คิดอยู่อย่างนั้นจนเป็นโรคประสาทมา ง, งั้นแหละวิตกจริทธและก็โมหะจริทธคือความรุ่มหลงอะไรก็ได้ซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นแหละอันนี้แปลว่าจริทธในหลักของพุทธศาสนามีหอย่างนะโมหะจริทธ ราคาจริตโพสจริตศรัทธาจริตวิตกจริตพุทธจริตนี่แหละอันนี้คือจริตหถ้าจะเปรียบเทียบก็คือ i อคของเขานั่นแหละตอนนี้พ่อตาก็พูดกับแม่ยายสองคนเอ๊ะเราจะเอาใครมาเลี้ยงเราว่าเขยสองคนนี่นะแอบก็ปรึกษากันดูดูแล้วมันก็เฉลียวฉลาดรับผิดชอบทั้งคู่นะมันก็ดีทั้งคู่ทั้งเขยทิดเขยจานนะ่ แล้วจะเอาคนไหนมาเลี้ยงเร า, เาปรึกษากันแต่พ่อตาเขเลยว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทดลอง IQ พวงเขา m อคของเขา AQ ของเขา EQ ของเขาว่าใครมีคิวสูงมากน้อยกว่ากั น, นพอคุยกับแม่บ้านสองสาวันก็นเลย เ, เป็นความลับของสองตายายว่า ง, งั้นะก็เลยพาทิดไปก่อนไปลอง IQ ค e q MQ ีคิวนันะพอเดินไปนอกบ้าน นอกบ้านเขาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงห่านเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรตามประชารบ้านที่อยู่ขอบขอ บ, ขอบหมู่บ้านเขาก็เลี้ยงสัตว์เพาะงั้นทน่านี้ผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกเคยทิศไปพอไปได้ยินเสียงห่านห่านมันเห็นคนมันร้องเลยใช่ไหอพอห่านเห็นคนมันจะร้องว้าววาวขึ้นมาชูคอขึ้นมามันร้องมันเห็นคนแปลกหน้าเพางั้นผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามลูกเคยว่าทิศทําไมห่านจึงร้องเสียงดังทิศก็เลยตอบว่า มันคอยาวพ่อห่านมันคอยาวมันจึงร้องเสียงดังทางพ่อตานี่เออใช่อันนี้มีความคิดดีเพราะมันคอยาวมันจึงร้องเสียงดังจากนั้นเดินไปอีกไปเห็นหน่อไม้มันโผล่ขึ้นมาจากดินเลยถามว่าทิดทําไมหน่อไม้มันจึงขึ้นมาจากดินได้ทิดก็ตอบว่าหน่อไม้มันปลายแหลมพ่อมันก็เลยซีใสขึ้นมาจากดินได้เพราะปลายมันแหลมเออใช่ เป็นความคิดแบบตรงตัวอยู่แล้วนี่จากนั้นก็พาไปอีกไปหาเป็ดเอ่อเป็ดมันลอยน้าหากินอยู่ในน้ำเอนกันลอยไปลอยมาพ้อตาก็ถามว่าทิตทำไมเป็ดเป็นยังลอยน้ำได้ทิศก็บอกว่าเพราะมันมีขนพอกเพราะขนมันเป็นมันและก็หุ้มตัวของมันมันก็ลอยน้ำได้ทีนี้ก็พ้อตาก็พาไปอีกไปเห็นเขากำลังปลูกพวกผักกาด เขาทาแปลงเสร็จแล้วก็เกิปลูกแล้วก็มีกําลังหวานก็มีคือเขาปลูกเป็นคนละรุ่นละรุ่นกันพอตัวนี้เก็บขายตอนนั้นเกิดปลูกใหม่ขึ้นมาลักษณะสลับกันไปอย่างนั้นอย่างั้นเลยเนี่พอตาเขาถามทิศทําไมพักการดมันยังเกิดขึ้นมาได้ทิศก็บอกว่าเพราะเขาลดน้ํามันพอมันอาศัยความชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วมันก็แตกเม็ดขึ้นมามันก็เกิดเออใช่ใช่ได้จากนั้นก็เลยพาลูกเขยทิศกลับบ้านอยงนั้น พอกลับมาได้สองสามวันก็เลยพาลูกเขยจารย์ไปเอกบานเนี่ยไปที่เก่านั่นแหะพอจะได้ทดสอบป่าสติปัญญาใครจะเหนือกว่ากันเนี่ยพอไปเห็นหานหานมาเห็นคนมันก็ร้องอย่างเก่านะ่ยวา่วาว่าขึ้นมาพอตาก็เลยถามว่าอาจารย์ทําไมหา่านมันจึงร้องเสียงดังอาจารบอกว่าธรรมชาติอาจารย์ว่านะธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนี้ พ่อตาก็เลยบอกว่าธรรมชาติอะไรมันคอยาวไม่ใช่เหรอมันจะงร้องเสียงดังไม่เกี่ยวกันพ่อตาเห็นไหมอึ่องอ่างเนี่ยคอมันสั้นๆทําไมมันร้องดังเนีธรรมชาติของมันพ่อตาก็เออใช่จานนี่มีความคิดอีกแบบหนึ่งก็นี่เดินไปอีกไปเห็นหน่อไม้อีกเนีถามว่าจานทําไมหน่อไม้มันจึงสีใสขึ้นมาจากแผ่นดินได้ จา น, นบอกว่าธรรมชาติเอออันารยก็ธรรมชาติเหมือนกันเอะธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้พ่อตาก็บอกว่าธรรมชาติอะไรมันปลายแหลมไม่ใช่เหรอเห็นไหมมันปลายแหลมมันสีใสขึ้นมาเนี่ยไม่เกี่ยวกันจานว่านะพ่อตาเห็นไหมเห็ดกระด้างเห็ดบดมันขุดออกมาจากขอนไม้มันจิ้งแข็งกว่าดินอีกมันยังออกมาได้เ อ, อธรรมชาติของมันพ่อตาก็เออใช่เออจากนั้นก็พาไปอีกทีนีง อแต่ลูกเขยการคนที่มีปัญญาชอบเป็นขี้โมโหนะเป็นของธรรมดาอพวกเราต้องรู้นะอะถ้าว่าคนที่ชอบคิดชอบอ่านคนนั้นจะมีอารมณ์เจ้าโมโหในหน่อยนะเป็นโทสะเป็นพื้นฐานคนที่มีปัญญาจะไปด้วยกันกับเจ้าโทสะว่างั้นแต่ทีนี้ถามข้อถามสองเรื่องขึ้นมาเลยก็เลยพาไปเห็นเป็ดลอยน้ําอีกเลยถามอีกจานทําไมเป็ดยังลอยน้ําได้นะ จานกรนึกโมโหขึ้นมานี่หน่อยแล้วว่างั้นเลยพ่อตาทำไมถามจุกจุจุ๊จี้อย่างนี้วะลูกเขยเขาบอกว่าเอธรรมชาติของมันธรรมดาเป็ดมันก็ต้องรอยน้ําหากินกับน้าได้เป็ดห่านมันกินกับน้ําได้แต่ว่าไก่มันลงไปไม่ได้นะเอะแต่เป็ดกับห่านมันลงไปหากินในน้ําไหลเป็นธรรมชาติของมันพ่อตาไก่ขยันขยอเขาบอกว่าเป็นธรรมชาติอะไรไม่เห็นมันมีขนเหรอเอมันมีขนมันจึงว่ายน้ำได้ ลูกเขยก็บอกว่าเอาไก่น่ะอมันมีขนเหมือนกันแต่มันลอยน้ํามได้มันธรรมชาติของมันพ่อตาเห็นไหมขอนไม้มันไม่เห็นมันมีขนเลยมันก็ยังลอยน้ําได้เออไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องขนว่าธรรมชาติของมันเหไรเงี้ยพ่อตากเออใช่จากนั้นก็พาไปอีกไปเห็นนานผักนไปนานผักนี่ลูกเขยก็โมโหขึ้นมาเลยถามสามสิทำไมพ่อตายึงถามจุกจุูจี้แบบนี้ ไม่คิดว่าเขาจะทดลองความรู้ของตัวเองดเด้ไม่ได้คิดว่าเขาทดลอง i อคตัวเองว่า ง, งั้นเถอะคิ EQ ตัวเองพ่อตาก็เลยถามว่าอาจารย์อทำไมผักกาดมันยังเกิดขึ้นมาได้อาจารย์กระบอกธรรมชาติธรรมชาติของมันทางพ่อตาว่าธรรมชาติอะไรเขาลดน้ามันทุกวันความชุ่มชื้นมันมีมันจะเกิดขึ้นมาได้ เพราถ้าไม่มีความชุ่มชื้นแล้วไม่ได้ลดน้ำมาแล้วมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์กรับอัดไม่เกี่ยวกันไมนเป็นธรรมชาติของมันใช่กส่วนหนึ่งก็คือการลดน้ำนั่นแหละแต่ว่าลดน้ำเราจะให้มันเกิดทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นเป็นไปไม่ได้อย่างหัวล้านพ่อตาเนี่ยเหมือนันลดน้ําทุกวันไม่เห็นมันเกิดสนนิน่ะตอนนี้โอ้พ่อตาถูกหมัดนี้เข้าไปขาว่าลูกเขยดูถูกอย่างแรงว่ะเนี่ยเอาหัวล้านพ่อตามาเล่นเหมือนกัน เ อ, อพ่อตาก็โมโหหยุดพูดเลยเหมือนกันเถอะหยุดถามลูกเขยก็หยุดพูดอีกเหมือนกันเหมือนกันเถะพราะลูกเขยส่งมัดเด็ดเหมือนกันเหมงอนกันเถอะพอเอาหัวล้านพ่อตามาเล่นพ่อตาอาบน้ําทุกวันรดน้ําทุกวันผมไม่เห็นเกิดเอยัวได้สู ก, ก็เลยขันหลังแลยก็เดินตามหลังกันมาจนมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านก็ขึ้นมาบ้านสองตายายก็เลยพูดกันโอ้ทิดมึงพูดมันก็นดีอยู่หรอ เออมันตรงเกินไปแต่ลูกเขยจานโอ้มันชิกแซกเนากันปัญญามันดีกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเอาเออจานเนี่มาเลี้ยงพวกเรากันเออก็เลยเลือกเอาลูกเขยจาน เ, เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายนะก่อนที่จะเอาลูกสะพ้ายลูกเขยมาเลี้ยงตัวเองนะต้องคิดดูให้ดีซะก่อนนะลูกสะพ้ายลูกเขยมันกินเหล้าเมายามันเล่นการพนันไหมมันมีอะไรไหม เออถ้ามันมีอะไรที่จิบหายไปข้างหน้าจะเอาเขามาเลี้ยงไม่ได้ได้จิบหายได้พ่อตาแม่ยายจะต้องได้ร้องหม่มร้องให้เพราะฉะนั้นคนโบราณเขาเอาลูกเขยลูกสะพ้ยมาเลี้ยงเขาเนี่ยเขาต้องดูซะก่อนอ่เป็นลูกเขยอย่างไรเป็นลูกสะภ้ายอย่างไรนะแต่นี่มียายคนหนึ่งอีกเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านอีกเหมือนกันนั่นอ่ะอันนี้เขามีลูกชายสองคนมีลูกสะภ้าอีกสองคนเหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่ของแม่ยายจะต้อง สอนลูกส pais ว่า ง, งั้นเถอะเออสอนลูกส pais เลือกลูกส p a i เอลูกชายของเราก็ดีทั้งคู่แล้วแหะแต่ว่าลูกส p a i เนี่ยใครจะเป็นคนมี i อคิหรือว่า eq คิมคสูงกว่ากันเออเดี๋ยวดิฉันจะไปทดสอบดูไงก็เลยพาลูกส pais ใหญ่ไปก่อนไปก็พาไปเก็บเห็ดในปา่าพอเดินไปเห็นเห็ดเลยกั น, นะลูกเห็ดลูกส pais ใหญ่ก็เก็บ เก็บเห็ดพาะเห็ดละโกกเห็ดกอเนี่ผสมประสานกันอจากนั้นก็เก็บผักติ้วผักน้ําหัวขาเตรียมมาพร้อมพอในสุดเอามาถึงบ้านก็จัดการแกงอะไรเรียบร้อย เ, อเลี้ยงครอบครั ว, วเหมือนนเะพราะครอบครัวมีอยู่หคนด้วยกันเลยลูกสะภ้ายสอลูกชายสองพ่อแม่เหมือนนเถะหคนแต่ทีต่อมาแม่ย่าก็เลยพาลูกสะพ้ยคนเล็กไปอีกเถอะ พาลูกสะพ้ายไปเก็บเห็ดอีกอย่างเก่าน่ยทดลองว่าความรอบคอบจะขนาดไหนพอเดินเดินไปแม่ย่ากขบอกว่านะลูกเห็ดไปเก็บโอ้ยยังเพิ่งเก็บแต่แม่มันน้อยเกินไปเดี๋ยวไปเอาอันใหญ่ๆเลยกลุ่มใหญ่ๆเขาเก็บทีเดียวเลยเหมนพอไปอีกนั่นลูกเห็ดเขาก็ไม่เก็บลูกสะพ้าไม่เก็บแม่ย่าก็เก็บแหมก็เดินไปก็เก็บไปด้วยไปที่ไหนบอกให้เขาเก็บเขาก็ไม่เก็บแม่ย่าก็เลยเก็บไปด้วย อพอมาถึงลูกสะภ้แต่หาที่กลุ่มใหญ่ๆมันไม่ได้ที่จะนี่อพอหวังน้ําบ่อหน้าใช่ไหมล่ะไม่ได้เห็ดสักดอกอของแม่ย่าเนีเก็บทีละดอกสองดอกพอแกงว่างั้นเถอะมาก็เลยบอกให้ลูกสะภ้ยเล็กนะไปไปแกงไปงอแม่ย่าก็เก็บผักติว้วผักน้ํามาด้วยว่างั้นเถอะอหนองโนคาพร้อมที่จะแกงได้ว่างั้นะพอเสร็จถึง็จมา ก, กัแกงแกงเสร็จแล้วแม่ย่าก็เลยสอนสอนลูกสะภ้ยว่า นี่นะ่ลูกก่อนที่จะเป็นครอบเป็นครัวได้นี่ไม่ใช่วางหาเงินได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซะก่อนยังค่อยเก็บต้องเก็บหอมลอมริบไปทีละน้อยละน้อยเดี๋ยวมันก็ใหญ่เองเหมือนกับเราไปหาเห็ดวันนี้นะ เ, เราเก็บทีละดอกละดอกออต่อไปก็พอกินพอแกงได้แต่เราจะไปหวังแต่เอาดอกใหญ่ๆผลที่สุดมันก็แห้งไปได้เหมือนกันนะเออมันไม่ได้เพราะนั้นลูกต้องเป็นผู้เก็บหอมลอมริบนะ ผลในสุดผู้ใหญ่บ้านคู่นี้ก็ได้เลือกลูกสะพ้ยคนใหญ่เป็นผู้อยู่ดูแลพ่อแม่เพาะงั้นเถอะอันนี้แหละคนโบราณเขาเลือกลูกสะภ้ายเขาก็มีวิธีการเหมือนกันนะเลือกลูกเขยเขก็มีวิธีการถ้าจะสรุปลงมาให้สู่ธรรมะก็คือว่าธรรมชาติของคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้นะ เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้สั่งสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลไว้หน้าอย่าประมาทธรรมชาติธรรมดานั่นจะมาถึงพวกเราพวกเราจะได้มีเกาะมีที่พึ่งทางด้านจิตใจนะพวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านแนะนําสั่งสอนภาคปฏิบัติอัตหิอัตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยา คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นะถึงข่าวจนแจจจำเป็นมาแล้วไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งเราได้นะไม่มีใครจะหายใจแทนเราได้ถึงวันนั้นแล้วเราหายใจเราเองเราตายเราเองด้วยบุญกุศลที่เราสั่งสมมาเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสั่งสมบุญกุศลไปทีละน้อยละน้อยอใส่บาททำบุญไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลไปวัดครูบาอาจารย์ จากนั้นก็ปฏิบัติทำไปเรื่อยๆแปลว่าเป็นการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนําสุขมาให้เกิดพบหน้าชาติหน้าคนมีบุญไปเกิดที่ไหนดีหมดน่นะการทํามาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองไม่เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะบุญกุศลเกื้อกูลอุดหนุนแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําบุญไว้เกิดพบหน้าชาติหน้าเกิดมาก็ทำมาค้าขายก็ไม่จเจริญงอกเงย ทำอะไรก็ตกตกล่นไปเรื่อยเพราะอนิสงฆ์บุญกุศลไม่มีเพราะนั้นบุญกุศลมองไม่เห็นแต่เป็นพลังมันมีพลังนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้ได้มาวัดของหลวงพ่อได้ยินทั้งนิธงนิทานได้ยิงทั้งแนวความคิดแปลกแตกต่างให้พวกเรานําไปสังเกตนําไปพินิษฐ์พิจารณาและปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราหลวงพ่อว่าคงจะมีความสุขความเจริญ การพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สาเร็จสมความมุ่งมาตรปราถนาทุกประการเธิด